สมานัตตาสมานัตตาแปลอย่างนักเรียนว่าความเป็นผู้มีตนเสมอถือเอาความในทางปฏิบัติว่าความวางตัวสมเป็นคุณสมบัติอย่างยิ่งผููมุ่งความก้าวหน้าจะขาดเสียไม่ได้ที่ว่าวางตัวสมนั้นผู้สั้นๆคือทําตัวให้สมกับที่ตัวเป็นวันไหนว่างๆลองหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งกับดินสอหรือปากกาก็ได้แล้วก็ลองนึก สำรวจดูตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นอะไรบ้างนึกได้ก็เขียนลงในกระดาษไว้เช่นว่าเราเป็นลูกของคนนั้นคือนี่ฐานะเราเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้คือนี่ฐานะเราเป็นพ่อแม่เราเป็นน้องของคนนี้เป็นพี่คนนั้นเป็นสิทธิ์อาจารย์โน้นเป็นครูของคนเหล่านั้นนึกไปเขียนไป เวลานี้เราเป็นอะไรอยู่ตั้งหลายอย่างแทบจำได้ไม่หมดแต่ถ้าเรารักความก้าวหน้าก็ต้องพยายามคิดนี่แหละแบบฝึกหัดเพื่อความก้าวหน้าเป็นแบบที่ง่ายแต่ได้ผลแน่นอนนอกจากที่ว่ามาแล้วก็ยังเป็นอะไรอะไรอยู่อีกมากมายเป็นลุงเป็นป้าเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นผัวเป็นเมียเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างและอื่น คิดต่อไปเอาเองก็แล้วกันเพียงแต่รู้ว่าขณะนี้เราเป็นอะไรเท่านี้ก็เป็นการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นไม่น้อยคนที่ริทําอะไรเสียก็เริ่มเสียกันตรงนี้แหละคือเริ่มด้วยไม่รู้ความจริงของตนเองว่าตัวเป็นอะไรหรือรู้แต่ผิดรู้ไม่ตรงกับความจริงตัวเป็นเพียงนี้แต่เข้าใจว่าเป็นเพียงนั้นหรือเป็นอย่างนี้ แต่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเช่นเป็นลูกจ้างเขาแน่นๆเข้าชักจะเผลอตัวคิดว่าตัวเป็นลูกเขาจริงๆขับรถให้นายนั่งบ่อยๆชักลืมตัวคิดว่าตัวเป็นผู้มีอํานาจพอๆกับนายตัวเป็นสิทธิ์เขาพอมีความรู้มากเข้าหน่อยกลับคิดถลงตัวว่าตัวเองเป็นผู้คอยเตือนสั่งสอนครูเรื่องของคนไม่รู้จักตัวเองมีอันจะคิดไปได้หลายอย่าง คนที่ตกอยู่ในความมืดถ้ามืดขนาดมองไม่เห็นคนอื่นก็นับว่ามืดมัวแต่ถ้าลองได้มองดูตัวเองก็ไม่เห็นด้วยก็จัดว่ามืดมิดเป็นที่สุดของความมืดที่ว่านี้มืดนอกเรื่องของมืดในคือใจมืดก็เหมือนกันแต่ในมืดเรียกว่าโง่คนโง่ขนาดไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ยังไม่สู้กระไรนักหนาเพราะมันเรื่องของคนอื่น แต่ถ้าโง่จนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครก็นับว่าเป็นยอดเป็นจอมของคนโง่วิธีดูความมืดกับวิธีดูความโง่จะวิธีคล้ายกันคือต้องดูตัวเองเป็นหลักถ้าใครรู้ตัวว่าชักจะมีอาการเคลิบเคลิ้มลืมตัวหรือไม่ค่อยจะรู้ว่าตัวเป็นอะไรแน่อย่างที่ว่ามาแล้วอย่าได้นอนใจเป็นอันขาดระวังชะตาจะเสียต้องรีบแก้ไข อย่างน้อยที่สุดก็ให้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไว้ก่อนเพียงแต่รู้ตัวว่าตัวเป็นอะไรเท่านี้ก็สำเร็จเป็นธรรมะขึ้นในใจข้อหนึ่งคือข้ออัตตัญญุตาความเป็นคนรู้จักตัวเองเป็นธรรมะข้อหนึ่งในสัพปริสธรรมเจ็ดข้อคนที่มีสัพปริสธรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนดีฉันรู้จักตัวเองขั้นต่อไปก็เพิ่มลักษณะสาคัญขึ้นในตัวอีกชั้นหนึ่งคือ ชั้นสมานตตตาซึ่งจะว่าในบทนี้วิธีทำก็ไม่ยากคือพยายามวางตัวให้สมกับที่ตัวเป็นเท่านั้นในฐานะเราเป็นลูกก็วางตัวให้สมเป็นลูกในฐานะเราเป็นพ่อก็วางตัวให้สมเป็นพ่อในฐานะเราเป็นแม่ก็วางตัวให้สมเป็นแม่เป็นผัวก็วางตัวให้สมเป็นผัวเป็นเมียก็วางตัวให้สมเป็นเมียเป็นสิทธ์วางตัวให้สมเป็นสิทธ์ เป็นครูวางตัวให้สมเป็นครูเป็นอะไรก็วางตัวให้สมกับที่เป็นจึงจะใช้ได้และเป็นอันได้ปลูกฝังบุคลิกลักษณะขึ้นไว้ในตัวอย่างหนึ่งคือสมานตต า, ตาบางท่านอาจสงสัยว่าคนที่ประพฤติไม่ดีอยู่แล้วถ้ายังจะวางตัวให้สมกับที่ตัวเป็นอยู่อีกจะไม่ไปกันใหญ่หรือเช่นคนที่เป็นโจรหรือเป็นผู้ร้ายไอเสือ ถ้าจะวางตัวให้สมเป็นโจรเป็นเสือไม่ต้องตั้งหน้าทำการขโมยปล้นฆ่าให้หนักขึ้นไปอีกหรือและถ้าทำอย่างนั้นจะเป็นอันตั้งอยู่ในธรรมะข้อสมานตตาตาหรือไม่ตอบว่าไม่ได้ถ้ายิ่งทำการปล้นฆ่าหนักมือเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างธรรมะข้อนี้เท่านั้นยิ่งทำความผิดสมานตตาตาก็ยิ่งดับศูนเพราะอะไรเพราะว่า การกระทํานั้นไม่เหมาะสมกับที่เขาเป็นคืออย่างนี้คนเราทุกคนมีความเป็นที่เป็นหลักใหญ่อยู่อย่างหนึ่งที่จะล้างเสียไม่ได้คือความเป็นคนความเป็นคนนี้เป็นที่รับรองความเป็นทั้งปวงเราเป็นอยู่ทุกวันนี้ความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นผัวเป็นเมียตลอดจนความเป็นเจ้าเป็นนายและใครจะเป็นอะไรอีกกี่ร้อยกี่พันเป็นก็ตามตั้งอยู่บนความเป็นคนทั้งนั้น เพราะเป็นคนจึงได้เป็นสิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นไก่เป็นหมูเป็นแมวก็เป็นสิ่งที่ว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในการวางตัวให้สมกับที่ตัวเป็นนั้นข้อแรกที่สุดคือต้องวางตัวให้สมกับที่ตัวเป็นคนไว้ก่อนทีนี้คนที่ประพฤติเป็นพูร้าไอเสือนั้นเป็นการวางตัวผิดมาแล้วคือวางตัวไม่สมกับที่ตัวเป็นคนแต่เกิดไปสมกับเป็นเสือที่ชาวบ้านเขาเรียก พวกผู้ร้ายว่าเสือนั่นเสือนี่ก็เป็นการประจานอยู่ในตัวแล้วว่าคนคนนั้นตัวเป็นคนแต่วางตัวผิดจนไปสมกับพวกอื่นเพราะฉะนั้นแม้ว่าคนที่ถูกประจานว่าไอเสือนั้นจะเพิ่มความโห ด, ดร้ายขึ้นอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการเสียสมานตตาตาหนักขึ้นเท่านั้นคือยิ่งทาก็ยิ่งไม่สมขอแวะตรงนี้หน่อยพูดเรื่องสมานตตาตาแล้วก็อยากพูดเรื่อง สมภาพบ้างเพราะเป็นทำงบเดียวกันบางคนขอโทษเถอะโดยมากพวกหนุ่มๆสาวๆมักจะเข้าใจความหมายของสมภาพคยวยเควคือเข้าใจว่าสมภาพเป็นของใหม่คนไทยเพิ่งจะได้สมภาพมาเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้เองมีอยู่อีกไม่น้อยเหมือนกันที่เข้าใจว่าเราเอาแบบสมภาพมาจากฝรั่งเดิมจริงๆไทยเราไม่มี แล้วก็เลยตีความหมายของสมภาพว่าได้แก่การตีเสมอหมายความว่าคนทุกคนเสมอกันหมดไม่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยหน้าไหนก็เดินกระแทกไหล่กันได้ตั้งแต่พานโรงถึงอธิบดีถ้าใครมัวก้มก้มหมอบหมอบก็เรียกว่าเป็นคนไม่ทันสมัยพอเกิดความเข้าใจอย่างนี้มากๆเข้าเหตุการณ์ก็ชักไม่น่าดูบางทีถึงกับดูไม่ได้เอาจริงๆก็มีเป็นต้นว่า ผู้น้อยขาดสัมมาคารวะในผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่วางตัวให้สมกับเป็นที่เคารพนับถือของผู้น้อยลูกวัดงัดข้อกับสมภารครูบาอาจารย์ถูกลูกศิษย์ลงโทษไล่ออกจากโรงเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งรับผิดชอบกอบกู้บ้านเมืองไว้ก็ถูกฉุดลงมาโขกศับด่าว่าเสี ย, สย ห, หายเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดของใครแต่เป็นความผิดของความไม่รู้ เพราะถ้ารู้เสียแล้วก็คงไม่ทำอย่างนั้นความจริงสมภาพไม่ใช่ของใหม่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนมาเป็นเวลา 2,500 ปีเศษแล้วจะว่าใหม่อย่างไรตัวเราเองสิเกิดใหม่แล้วไปเอาของท่านมาใช้ผิดผิดถูกถูกบรรดาต้นตระกูลไทยของเราท่านก็ปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ตั้งชาติไทยแล้วเป็นดินไทยที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นี่แหละ เป็นพยายนแห่งสมภาพของท่านเพราะว่าสมภาพกับสมานัตตาก็เป็นพวกเดียวกันที่ว่ารัฐธรรมนูญให้สมภาพแก่เราคือเปิดสิทธิ์ให้เราได้วางตัวให้สมกับที่ตัวเป็นนั่นเองพวกที่แสดงลิเกละครซึ่งแสดงได้ดีมีชื่อเสียงถึงกับคนแย่งกันซื้อตั๋วเข้าไปดูก็เพราะตัวแสดงแต่ละตัวเขาแสดงท่าทางสมกับหน้าที่ที่ผู้กำกับมอบให้เขาแสดง ใครเป็นตัวพระตัวนางตัวหัวหน้าตัวลูกจ๊อกก็ต้องแสดงให้สมกับที่ตัวเป็นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าแสดงเป็นและน่าดูถึงละครนอกโรงคือเราเป็นเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันจะต้องวางตัวให้เหมาะให้สมกับที่ตัวเป็นจริงจะใช้ได้การวางตัวนั้นจะต้องไม่ให้สูงเกินไปคือแสดงอาการเย่อหยิ่งจองหองดูหมิ่นคนอื่น เห็นคนอื่นเป็นคนต้อย ต, ต่ำจนคบหาสมาคมไม่ลงโบราณย่อมว่าไม้สูงเกินต้นมักจะโค่นเพราะลมบนคนสูงเกินมักจะทนอยู่ไม่ได้วางตัวสูงเกินไปก็ไม่มีใครเขาอยากคบไม่มีใครเขาอยากสนับสนุนแต่วางตัวต่ำเกินไปเป็นอย่างยญากลางสนามหมาก็ขี่รถแม้ก็ขี่รถใช้ไม่ได้อีกเหมือนกัน เช่นคนบางคนชอบปล่อยตัวตามยถากรรมไม่นำพากับระเบียบวินัยชาวบ้านชาวเมืองเขามีวัฒนธรรมสูงขึ้นเพียงไรก็ไม่รับรู้ทำทีว่าตัวเป็นคนปรงตกใครจะดูถูกดูแคลนอย่างไรก็ช่างอย่างนี้ก็มีแต่คนรังเกียจใครเขาจะคิดสนับสนุนเป็นไม่มีแล้วตกลงว่าทั้งคนสูงเกินทั้งคนต่ำเกินเสียด้วยกัน จะขอให้ท่านผู้อ่านรึกถึงข้อความในหนังสือกลุวิธีแก้ทุกอีกครั้งหนึ่งแต่ข้าพเจ้าคิดว่าส่วนมากของท่านที่ได้รับแจกหนังสือนี้อาจจะยังไม่ได้อ่านหนังสือนั้นจึงขอเอาความมาพูดซ้ําอีกทีเพราะเป็นเรื่องประเภทเดียวกันคือเรื่องการวางตัวในที่นั้นข้าพเจ้าว่าไว้ว่าการยกตัวเองเพราะอยากให้คนอื่นเห็นว่าตัวเก่ง จะได้มีหน้ามีตาเป็นการกระทําที่ถือว่าไม่ดีอย่างหนึง่งท่านเปรียบว่าเหมือนกลองดังเองคือกลองที่เราตีน่ะจะเป็นกลองวัดหรือกลองลิเกก็ตามถ้าเราเอามันแขวนไว้ตามธรรมดากลองดีถ้าไม่มีใครตีมันต้องอยู่นิ่งๆดังเองไม่ได้ทีนี้ถ้ากลองใบใดไม่มีใครตีเลย มันเกิดดังตมูมตมขึ้นเองเขาเรียกว่ากลองจันไรเอาไว้ในบ้านในเมืองไม่ได้จะทำให้บ้านเมืองเกิดยุคเขีนเดือดร้อนกลองอย่างนี้ต้องเอามาสับเป็นชิ้นๆแล้วใส่ไฟเผาให้หมดเสร็จแล้วกวาดเอาขี้เถ้าไปล่องน้ำเสียแม้แต่ดินตรงที่เผาก็ต้องขุดกว้างสองศอกยาวสองศอกโดยเอามูลดินไปล่องน้าเสียด้วย แล้วก็ต้องซัดด้วยน้ำมนทรณีสารให้หายเสนียรบ้านเสนียรเมืองเรื่องของกลองดังเองมันไม่ดีจริงๆทีนี้กลองใบใดมีคนตีแล้วตีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ดังสักทีจันไรอีกเหมือนกันแล้วก็ต้องทําพิธีปัดเสนียรชิ้นเดียวกับกลองดังเองเหมือนกันกลองดีไม่มีใครตีมันต้องอยู่นิ่งๆมีแต่รักษาสมรรถภาพไว้ในตัว คือพร้อมที่จะดังได้ทันทีเมื่อถึงคราวถูกตีพอค้อนกระทบปับ๊บก็เสียงตูมทันทีคนดีก็เหมือนกล่องดีต้องสั่งสมความดีใส่ตัวไว้แต่ถ้ายังไม่มีใครยกให้ก็เฉยไว้ถ้ายกตัวเองพระเดียวจะเป็นคนจันไรครั้งถึงคราวที่เขายกก็ทำตัวให้สมกับที่เขายกหมายความว่าเมื่อมีคนตีแล้วเราก็ดังดังให้สมกับที่เขาตี เช่นเขาแต่งตั้งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มอบหมายทำโน่นทำนี่ตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นตำแหนเป็นนายอำเภอเป็นครูเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นผู้แทนจนกระทั่งถึงเป็นรัฐมนตรีนี่เรียกว่าถูกเขาตีแล้วไม่อยากดังมันก็ต้องดังบ้านเมืองที่มันยุ่งก็เพราะเรื่องคนดังเองนี่แหละคือว่าตัวไม่โตแล้วก็ทาเป็นโต ตัวไม่มีอำนาจแสดงว่าตัวมีอำนาจอย่างภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าเบ่งคนเบ่งนั้นถ้าว่าอย่างข้าพเจ้าว่าเป็นประเภทคนดังเองยุ่งหรือไม่ยุ่งท่านดูเอาเองก็แล้วกันบางทีขึ้นไปดังเองบนรถเม์ก็เกิดยุ่งในรถเม์บางทีเข้าไปดังในโรงหนังก็ยุ่งขึ้นในโรงหนังในสภาในวัดในศอกและในทุกขนทุกแห่ง ถ้ามีคนดังเองแล้วยุ่งจนได้บางทีดังเองกับดังเองไปเจอกันเข้าถึงกับต้องหามส่งโรงพยาบาลก็มีนี่ว่าข้างคนดังเองทำให้ยุ่งทีนี้ฝ่ายคนตีไม่ดังเรื่องยุ่งไม่เท่าไหร่แต่ก็กลายเป็นเรื่องยากทาอะไรทิ้งทิ้งกว้างๆไว้วางใจไม่ได้ว่าจะได้ผลที่อยากนั้นยากเพราะไม่ทาตามที่ตนควรจะทาว่าเรื่องสมาณา ต, ตา เลยเตือมาถึงเรื่องปี่เรื่องกลองความประสงค์อยากจะพูดนิดเดียวว่าวิธีวางตัวนั้นให้เอาอย่างกลองดีจะถือเยี่ยงกลองจันไรรวมความว่าผู้ที่มุ่งหวังความก้าวหน้าจะต้องสร้างบุคลิกลักษณะขึ้นในตัวอย่างหนึ่งคือสมานนัตตาวางตัวสมกับที่ตัวเป็นและในการวางตัวสมกับที่ตัวเป็นนั้นที่จะลืมเสียไม่ได้เลยก็คือ ทุกคนจะต้องวางตัวให้สมกับที่ตัวเป็นคนเข้าไว้ก่อนเสมอ